คนจีนเยอะกว่าคนไทยนะการภาวนานะจับหลักให้แม่นๆมีคนแปลให้ไหมวันนี้ไม่มีคนแปลเราแปลได้ไหมไ ม, ไม่ได้ โทรศัพท์เตรียมหูฟั ง, งคนจีนฟังไม่ได้วันนี้ไม่มีคนแปลพวกอยู่วัดสงวนบ้านจิตาเลยนะ สมาธิยังไม่พอนะใจฟุ้งจิตมันไม่เข้าฐานเราดูสภาวะได้แต่ตอนที่ดูเนะี่ยมันถลําไปดูต้องพยายามฝึกให้จิตตั้งมั่นจริงๆทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตเวลามันเคลื่อน อย่าไปบังคับมันไม่ห้ามแต่เคลื่อนเรารู้ไวๆสมาธิยังไม่พอนะสมาธิไม่พอการเจริญปัญญาทำไม่ได้จริงเราเห็นสภาวะเกิดดับแต่ตอนที่เห็นเนี่ยจิตมันจมลงไปเป็นไหมนั่นแหละจะมีจุดอ่อนตรงนั้นจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนดู เ, เห็นสภาวะผ่านไปเฉยๆนี่จิตมันจมลงไปในสภาวะ เรื่องของสมาธิเป็นเรื่องสาคัญมากถ้าขาดสมาธิเจริญปัญญาไม่ได้จริงนะไม่ใช่นานนะไม่จาเป็นต้องนานหรอกสมาธิที่เราต้องการในสมาธิชั่วขณะเท่านั้นอย่างขนะดนี้ไม่ใช่การทำสมถะนะที่ทำตอนเนี้ยอันนี้คือการบังคับจิตอย่าไปบังคับมัน ปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้ทันเวลามันเคลื่อนไปเคลื่อนมามทำให้ดูซิไอ้อย่างนี้ไม่ใช่อ่ะผิดละผิดตั้งแต่เริ่มเลยพอเริ่มต้นก็บังคับจิตละแทรกแซงจะให้จิตมันนิ่ง่ไปทำอย่างนั้น ใช้จิตปกติใช้จิตธรรมดาเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตธรรมดาจำประโยคนี้ไว้นะเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตธรรมดาไม่ใช่ดูลมหายใจนะอนาปนาสติไม่ใช่แปลว่าให้มีสติอยู่กับการหายใจอนาปนาสติแปลว่าให้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตัวสำคัญคือตัวสติไม่ใช่ตัวลม ถ้ามุ่งไปที่ตัวลมมันจะได้แต่สมถ tha มันจะไม่ได้สติขึ้นมาให้เราใช้จิตปกติทําใหม่เริ่มดัดแปลงจิตแล้ะรู้สึกไหมดึงเข้ามาอยงี้รวบเข้ามาแล้วก็แฟฟพอนะใช้ไม่ได้นะให้รู้ทันมันอยากปฏิบัติมันรวบเข้ามาเนี่ยรู้ทันว่ารวบเข้ามาเลยนะรู้ทันตรงนี้ต่อไปมันจะเรียนจิตที่ปกติ ใช้จิตปกติไปเห็นร่างกายทั้งตัวนี้หายใจไม่ใช่เห็นตัวลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจเอาละเริ่มเพ่งอีกแล้วนะเห็นได้แต่สมถะอ่ะอจยังฟุ้งอยู่นะสมาธิไม่พอ ต้องมีเครื่องอยู่ของจิตอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้เพราะจิตเคลื่อนแล้วรู้เอาเมื่อกี้หลงหลงก็รู้เอาอยู่กับเครื่องอยู่อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปสะสมไปนานๆจิตนจะมีพลังมันจะตั้งมั่น โดยไม่เจตนาให้ตั้งมัน่นอันนี้ชอบไปทำมันแต่ไม่เคี่ยหลงนะอ้าวันนี้เพลงอุตรุ่แล้วตเต็นตเต้นดูว่าเต็นเตนไม่ต้องอยากหายตเต็นตเต้นก็รู้เอาใจเราเนี่ยใจอยากพูดรู้ไหมมันดันขึ้นะกลางหน้าอ หเห็นความอยากมันผลักขึ้นมาถ้าหลัมลงไปจ้องแล้วจิตกระโจนลงไปจ้องเนี่ยทั้งหมดเลยรวมทั้งแถวอื่นด้วยเป็นเรื่องสมาธิไม่ถูกสมาธิไม่พอในพระพิธรรมสอนบอกว่าสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาธิมีหลายชนิดมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิไม่มีสติเอ็นเนี้ยใจหลงไปเงี้ยไม่มีสติเอ็นนั่งแล้วก็เคลิมไปนั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นหนี่ไปใจออกไปตเตลิดไปไม่มีสติก็เป็นมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิก็มีสองส่วนส่วนหนึ่ง จิตมีสตินะระลึกรู้อยู่ในอารมณ์เดียวเพื่อจะพักผ่อนเรียกว่าอารมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตจะมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังมีความสดชื่นอีกกานหนึ่งสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นลักษณะของ รูปธรรมนามธรรมมันแสดงใจลักได้เราะฉะ้อย่างเราสวาเรารู้ลมหายใจเห็นลมหายใจออกให้ลลมหายใจเข้าเป็นสมาธิอย่างแรกแต่ถ้าเราหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นคือไม่ไหลไม่ไหลโดยที่ไม่ได้บังคับ สมาธิอย่างนี้ถึงจะเอาไว้เดินวิปัสสนาได้จริงหลายสิบปีมาแล้วนะหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์ช่วงที่ภาวนาเป็นแล้วบางทีก็ไปดูคนอื่นก็ภาวนากลางคืนบางคนนั่งสมาธิเต็มโบสถ์เลยรอบรอบโบสถ์ก็เต็มไปหมดเลยแต่ละคืนนะคนไปภาวนาที่วัดครูบาาจารย์เป็นร้อยเลย แน่นไปหมดเลยหลวพ่อเดินผ่านพระดูนี่ไม่ใช่การปฏิบัติพวกหนึ่งนั่งบังคับตัวเองซื้อบือพวกหนึ่งนะนั่งหลงไปเตลิดเปิดเปิงไปใช้ไม่ได้บังคับอยู่ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยติดบังคับนั้นเราอะพวกนี้ฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้ชั่วที่ทำให้สมาธิเราล้มเหลวนะมีสองตัวตัวที่หนึ่งฟุ้งซ่านหนีไป โดยที่เราไม่รู้ตัวที่สองคือเราบังคับไว้จนใจมันเครียดผิดปกติตัวที่ใจมันหนีไปเรียกว่าย่อหย่อนไปเป็นการสุขาริกานโกุโยคตัวที่บังคับไว้เนี่ยตึงเครียดไปเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยกงั้นเราไม่ได้เดินในทางสายกลางหลวงพ่อเดินผ่านคนเป็นร้อยเนะี่ยเราเดินปั๊บเราเห็นนะเรารู้แล้วพ่อนำไม่เป็นหรอกนั่ง ถ้าอยู่ทั้งคืนั้นก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความอดทนในใจเราก็นึกนินทาเขานะที่เขาปฏิบัติในใจมันนึกนะโอ้ยไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยนั่งกันเป็นร้อยเดินชงกลุ่ ม, มเยอะแยะไม่มีใครปฏิบัติใจคิดอย่างนีนะ้เตือนเช้าเข้าไปกราบหลวงพุทธเชาตอนเช้าตามหัป้าคนหนึ่งเข้าไป หลวงปู่มองหน้าหลวงพ่อนะหลวงปู่ยิ้มหวานเลยบอกวัดนี้ไม่มีใครเขาปฏิบัติแล้วละ่ะนี่คือประโยคที่เราคิดในใจเรานะ่อายมากเลยหลวงปู่มองหน้ายิ้มๆวัดนี้ไม่มีใครเขาปฏิบัติไปแล้วละ่ะเราเองไปดูคนอื่นเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันสีอซกนอกไปดูคนเป็นร้อยเลยดูใช้ไม่ได้ เขานั่งสมาธิผิดนั่งเพ่งบ้างเผลอบ้างมันไม่ถูกแต่เราส่งจิตไปดูคนอื่นเขามันก็ไม่ถูกนะมันไม่ใช่การปฏิบัติการปฏิบัติต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองอย่างนี้ใช้ไม่ได้เนะ่ททำไปทาไมให้มันเคร่งเครียดเปล่า ถลำลงไปเพ่งถลำลงไปจ่องจิตมันไม่ปกติดูออกไหมขณะ น, นี้มันไม่ใช่จิตปกติรู้สภาวะด้วยจิตปกตินะถึงจะใช้ได้นี่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็จะดัดแปลงจิตทันทีให้ผิดปกตินี่ก็เป็นสองคนนี้เป็นนักผู้หญิงสองค น, นผู้ชายคนนี้เออเราเหยมากเลยนะ อันนั้นเผลอสลับกับเพ่งนะก็รู้ไปนี่เลิกซะนะกนารมาทานอย่างนี้อย่าทำยิ่งทำมากก็ยิ่งต้องมาลือ้อทิ้งทีหลังเสียเวลามีสติไหมเอาสติเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาสมาธิเป็นตัวตั้งนะมีสติคอยรู้ทนันเวลาจิตมันถลําลงไปก็รู้ทนันจิตมันหนีไปคิดก็รู้ทนันจิตมันทำอะไรก็รู้ทันไป อย่างนี้จิตหนีไปคิดรู้ไหมหัดหย่งนี้แหล ะ, ะหพุโทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แต่คอยรู้ทันจิตไว้ไม่ใช่พุโทโธบังคับจิตให้นิ่งหายใจไปแล้วน้อมจิตไปอยู่กับลมนิ่งๆใช่ไม่ได้จิตไม่เหมือนคนธรรมดาอีกแล้วรู้สึกไหมเป็นเลิกซะนะที่ทาเนี้ยผิดอะทให้ตายก็ไม่ได้มรรคผล มันไม่ใช่ทางเป็นมิจฉาสมาธิพวกฤาษีชีไพรเขาทำมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกสมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิที่รู้สึกตัวรู้เนืรู้ตัวไม่หลงเริ่มถูกล้วมันเริ่มถูกล้นะพอพอนาเป็นอยารู้เลยที่ทําอยู่ไม่ใช่หรอก ไล่ตรงนี้ที่ว่าใช่นะภาวนาไปอีกมันก็ไม่ใช่อีกมันมีแต่เรื่องว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเรื่อยสุดท้ายจนถึงปานิพานนะมันก็คำว่าไม่ใช่อีกนะ่ะนิพานไม่มีสภาวะอะไรที่พูดในทางที่ความมีความเป็นไม่มีนิพานมีลักษณะเดียวคืลักษณะสันติ สงบสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความอยากเวลาพระพุทธเจ้าอธิบายนิพพานให้พูดในทางเนกยติบนิพพานไม่มีธาตุดินไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีลมไม่มีอากาศคือช่องว่างไม่มีวิญญาณัญจายตนะ ไม่ได้เพ่งตัวผู้รู้แันะเงเพ่งตัวผู้รู้อยู่ไม่ใช่นิพานครนะูบาอจารยงคหนึ่งนะสอนดีหลกงปูล่าให้ได้ยินไหมหลวงปู่เจ้าก็สุดยอดลงหนึ่งเลยท่านบอกว่านิพานไม่ใช่ผู้รู้ฝากผู้รู้ภากหมายถึงข้ามไปภากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือน ถ้าเรากำหนดจิตตัวผู้รู้นะมันจะกลายเป็นวิญญาณันใจ ย, ยตนะจะเกิดจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆนิพพานไม่มีอย่างนั้นนิพพานไม่มีอากิญจัญญายตนะอากิญจัญญายตนะคือไม่จับทั้งจิตไม่จับทั้งอารมณ์เพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่เรื่องว่าไม่จับจิตไม่จับอารมณ์นิพพานไม่มีในวสัญญาณาสัญญายตนะ ไม่มีสัญญาความรู้เนื้อรู้ตัวเหลือนิดเดียวโนลนิดเดียวอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเพราะนั้นสังเกตดูเวลาท่านพูดถึงพระนิพพานนะท่านพูดในเชิงปฏิเสธไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีถ้าพูดถึงในเชิงที่มีมีอะไรมีสันติลักษณะ มีัษณสงบ peaceful สงบปราศจากตัณหา น, นิโรธนิพพานสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะหมดความยึดถือในรูปนามเรียกว่าวิมุต ให้เราภาวนานะใช้ใจปกติใช้ใจปกติไปรู้ความเป็นปกติของกายของใจรู้ความเป็นปกติของกายเช่นร่างกายหายใจอยู่รู้ว่าร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ธรรมดารู้อาการของกายธรรมดาธรรมดาของกายรู้ธรรมดาของจิต เช่จนจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้ไม่ได้ไป บ, บังคับงั้นรู้ธรรมดาของกายของใจรู้ด้วยใจที่ธรรมดาอย่าทำใจผิดธรรมดาอินูเนี้ยแก้กันนานอันเนี้ยไม่หายง่ายแต่เนนีคิดให้อุบายไปคิดพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินขด คิดพิจารณาไปทีละส่วนทีละส่วนของเราต้องถึงจุดที่ต้องแก้แล้วต้องแก้ของหนูนี่ยังไม่ถึงต้องแก้หรอกนี่ก็หลงหลงหลงหล ง, ลงมดีมนะมือหลวงพ่อไม่ยาวยังไม่น่าที่เขเ ก, ก บ, บาลให <c oughs> ด้ดังๆพ่อหูอือ เกรงเพราะอยากปฏิบัติอยากดีนักปฏิบัติร้อยละร้อยเกรงเพ่งเคร่งเครียดก็ดีกว่าหลงหลงไปทุกขติเพ่งอยู่ไปสุขติได้แต่ไม่ไปนิพพานมันกลับมารู้เองก็รู้เอาไม่จงใจนะ กาที่เรามีเครื่องอยู่แล้วจิตเคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆจิตไปทําอะไรเรารู้เรื่อยๆจิตมันจะมีพลังมากขึ้นรู้สึกไหมมันเริ่มมีพลังขึ้นแต่พลังเนี้ยไม่ยั่งยืนเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายงั้นเราอยู่กับเครื่องอยู่ก็เราไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีกําลังสร้างมั่นเด่นดวงขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนาไม่ได้ชงใจบังคับนะ หลวงพ่อตั้งแต่เป็นคราวาสนะจิตหลวงพ่อเนี่ยตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ตลอดเลยตั้งแต่สิบขวบมาจิตเด่นดวงอยู่นะหลวงปู่สิมมันเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ถ้าไม่รู้จักชื่อนั่นเลยเรียกฉายาให้ว่าผู้รู้ผู้รู้และต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ที่จะเด่นปัญญาได้ จิตผู้รู้เกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตผู้หลงจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะมิจฉา ส, สมแต้มไปเรื่อยๆในส่วนนี้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งคือเข้าฌานเราเข้าฌานไม่เป็นเนี่ยทาไม่ได้ก็ใช้วิธีหลงแล้วรู้ถึงจุดหนึ่งก็ไปได้ยังแฝดใจยังไม่ได้ทําอะไรมีแต่หลงก็รู้ หลวงพ่อสอนแท่าน ห, ห ล, งลวงเรารู้ห ล, งลวงเรารู้ไปแต่ก็ทําทอยู่แค่นั้นนสอนอีกคนนเขาปัญญามากทีแรกเขาเมลมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อใกล้จะบวชแล้ว้าอีเมลมาถามบอกว่าเวลาโกรธโลภหลงอะไรเนี่ยก็พยายามแก้ไข เลวงพาตอบไปสั้นๆตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากดีอยากแก้ไขมันก็ตัณหานล้วแหละจะเอาเหตุของความทุกข์มาทำให้ตัวเองพ้นทุกข์เป็นไปไม่ได้ตอบสั้นๆแค่นี้เขาก็ได้รู้ว่าถ้าอยากก็ไม่ได้กินหรอกเพั้นต่อไปพอใจอยากก็มารู้ทันใจอยากเข้มารู้ทันนะใจค่อยมีพลังขึ้นมา ใจมันรู้ทันความอยากมันตั้งมั่นขึ้นมาแนละ้วใจที่ตั้งมั่นคือใจมีสมาธิต่อไปนี้ให้เจริญสติปัฏฐานเจริญยังไงไปหาเ อ, าเองนะสอนโหดนะแล้วเขาก็ใช้วิธีหลงแล้วรู้มีแต่หลงก็รู้ใช้เวลาไม่มากไม่กี่เดือนไม่ถึงปีเองกับหลวงพ่อนะ ก็เข้าใจพอดีก่อนหลวงพ่อบวชทําสําเร็จก่อนหลวงพ่อบวชหลวงพ่อเลยบอกให้ช่วยดูแลพวกที่อินเสียงอ่อนเขาก็ทํามาตลอดเป็นคนซึ่งมีปัญญามากหลวงพ่อสอนสั้นนิดเดียวอันแรกสอนบอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จ้าเหตุของความทุกข์มาทําให้พ้นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ จะไปทำตามตัณหาอย่านี้ทำตามตัณหาแล้วแต่มันสั่งนี่ก็มีตัณหาไปนั่งจ้องเย่างนี้นมันอยากอยากปฏิบัติอยากดีอันี่ก็มีตัณหากามาตัณหาเที่ยวร่อนเร่ไปเรื่อยๆอั <c oughs> <c oughs> นี่เป็นภาวะตัณหานี่กามาตัณหารู้ทันไป อย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามความอยากมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไหมไปดูตรงเนี้กระทั mm ้ง hmm. อยากปฏิบัติก็ผิดนะอยากอยู่หลงโลก น, นั่นผิดมากเลยอยากปฏิบัติจะผิดรองลงมาสงสารคนจีนไม่มีคนแปลให้ฟังวันนี้ อ้าวหันหลังไปทางโน้น